วันนี้จะสาธิตวิธีการเดินจงกรมให้พระใหม่ได้รับรู้รับทราบแต่เรื่องการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินั้นพวกเราเป็นชมรมพุทธมาก่อนที่ว่าคงเข้าใจดีแต่ว่าวิธีการเดินจงกรมนั้นมีหลายสำนักที่พวกเราได้ศึกษาแต่เมื่อได้มาบวชในครั้งนี้ อาจจะมีการคุยๆบ้างว่าพวกเราจะเดินโยมกมด้วยวิธีอย่างไรอันไหนที่ว่าวัดของเราในต้องการหรือว่าสายของหลวงปู่มั่นที่ท่านเดินอย่างไรวันนั้นเดี๋ยวหลวงพ่อจะสาธิตวิธีการเดินพวกเราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติด้วยความมั่นใจว่าการเดินยยกมทำอย่างที่ได้เห็นได้ยินจากหลวงพ่อ จากนั้นเราจะทํอย่างไงต่อไปภายภาคหน้าเราจะยึดแนวแถวไหนอันนั้นก็ไม่ว่ากันตามความสะดวกสบายเห็นว่าเหมาะสมกับจริตนิสัยของตัวเองแต่ขณะมาอยู่ที่นี่หลวงพ่ออากจะให้เดินจงกรมอย่างที่หลวงพ่อสาธิตให้ดูเพราะว่ า, วาการเดินจงกรมอย่างนี้เป็นแนวแถวของ หลวงปู่หลวงตาเล่าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิงย่งแนวแถวขององค์หลวงปู่มั่นที่ผูบายการพาพระพุทธปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมอันดับแรกนะในที่กุฏิของเรากุฏิของเราทุกหลังที่เราไปสร้างเราจะมองเห็นทางเส้นหนึ่งจะสายตรงในระหว่างข้างกุฏิหรือบริเวณใกล้เคียงเราจะเห็นทางเดินจมกลม แต่บางเส้นบางสายก็อาจจะสำนึกบ้งแต่ตามื่อจริงก็เคยมีพระเดินจงกรมมาก่อนแล้ววันนั้นเราทุกองที่เข้าไปอยู่ในกุฏิหลังนั้นอันดับแปร ก, ก็ควรจะไปปัดกวาดทำความสะอาดในทางเดินจงกรมให้ดีพอสมควรแล้วก็ปัดกวาดให้กว้างพอสมควรเพื่อมาให้พวกงูพวกมแมลงต่างๆเข้ามา แมะ ล, งล ง, มลงปงแมล ง, มลงปองแมล ง, มลงป่องช่างมาเนี่ยตะคงตะขาบพวกนั้นจะให้มันพุดเข้ามามาถึงเราเลยก็ต้องปัดให้กว้างขวางเดื๋อเราจะได้เดินจงกรมในกลางคืนจากนั้นเราก็จุดเทียนไขเเพราะว่าเราในทางเดินไม่มีไฟฟ้าเราก็จุดทางเดินจงกลมหัวส้นแล้วก็จุดตรงกลางอีกทางวากีกัวนะตามปกติเนี่ยฉันจะจุด ไม่ใช่หัวซนทีเดียวใกล้ๆจะหัวซนเพื่อให้ไฟสว่างไปทั้งสองข้างแต่ว่าตรงไหนมีมดผ่านเราครวรจะเหยียบมดเราก็เอากระดาษขาวๆไปวางไว้ในจุดนั้นเพื่อให้มีความหมายไปตรงนันจุดนั้นเราก็จะได้ข้าวเราจะไม่ได้เหยียบมดที่มันเดินเป็นสายไปแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นสายเราก็เดินไปเรื่อยแหละเราไม่มีเจตนาจะไปเหยียบ เราไม่เหยียบแผ่นดินเราจะไปเหยียบที่ไหนแต่มันถุกแท้แต่เราไม่เห็นไปเหยียบมันก็เราไม่มีเจตนาก็ไม่ผิดต่อวิ น, นัยไม่ผิดต่อศีลเพราะเราไม่มีเจตนาทำไมเราไม่เหยียบดินเราจะไปเหยียบที่ไหนแต่ว่านี้เมื่อเราเห็นอยู่มดเดินผ่านเป็นเส้นเป็นสายไปเราไปเหยียบอันนี้แปลว่าไม่เหมาะสมขาดเมตตาเพราะนั้นเราก็ต้อง หากระดาษขาวๆหรือว่าใบไม้อะไรก็ได้ไปวางอยู่จุจดนั้นเพื่อไปถึงจุดนั้นเราก็จะได้ข้ามไปแต่มดบางประเภทพอเราข้ามหลายครั้งต่อหลายหนมันก็หนีเหมือนกันนะเพราะว่ามันข้ามไปข้ามมาข้ามไป ม, มันก็หนีเหมือนกันมันก็ไม่อยู่เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องถ้าวันนี้ไปแเราก็เดินตามปกติ เพราะแผ่นดินเนมันกว้างมันจะไปที่ไหนก็ได้เราไม่ต้องเป็นห่วงมันเออทางมดเคยเดินเราไปเดินอมันไปเบียดเบียนสัตว์เด้ออันนั้นมันหยุ่มหยิมจนเกินไปเอแผ่นดินนี่มันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อเราเดินไปแล้วมดมันนี้เออมันคงจะไปหากินทางอื่นของมันคนอยู่ในแผนดินนี้มันไม่ใช่ว่าจะยึดตรงนั้นเป็นจุดของมันทีเดียวสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้ใช้ความคิดกีดเหมือนกันนั่นแหละ เพราะนั้นการเดินจบกลม เ, เมื่อจุดเทียนกลางคืนนะถ้ากลางวันก็ไม่ต้องจุดเราเดินจบกลมเมื่อเห็นหนทางครัก็เดินจุกลมทางว่ามันมืดเราจะเดินจบกลมกลางคืนก็ได้จุดเทียนสักสองสามเล่ม เ, เสร็จเรียบร้อยเราก็ประจําที่ประจําทางเดินหันหน้าไปทางทิศนะ อยู่ทางจงกรมสุดข้างใดข้างหนึ่งยืนอยู่สุดข้างใดข้างหนึ่ง เ, เมื่อยือนเสร็จแล้วเราก็ปนมมือขึ้นระหว่า ง, องนะอกแ ล, ล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมปรสงุ์นึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆ ค, คือไหว้ครูสะก่อนนะเมื่อไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว เ, เราก็เอามือวางลงในระหว่าง เออท้องของเรามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นเราก็ก้าวขวาขวานะพุทธขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทโถไม่ต้องเดินเร็วแล้วก็ไม่ต้องเดินช้าเดินตามปกติเหมือนกเราเดินทั่วๆไปขาขวาพุทขาซ้ายโถให้มีสติในการก้าวเดินนะพุทโถพุทโถพุทโถไปเรื่อยนะ ขาขวาพุทธขาซ้ายโถขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทธโถพุทธโถพุทธโถพอไปถึงส้นเราก็หมุนจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ได้พอหมุนเราก็หยุดจากนั้นก็ขาขวาพุธขาซ้ายโถอีกสรุปแล้วคือการเดินโยงกลมคือให้มีสติในการเดินไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกเป็นการทําสมาธิในการเดินยืนเดินนั่งนอนอันนี้คือการปฏิบัติสําหรับการเดินโยงกลม นะออหลวงพ่อจะสาธิตให้ดนะูในขณะนี้นะเอนะวิธีการเดินยังกรมสุภวะทางเดินยังกรมไป็นยาวละเอียดตัวเนี้ยอนะเราก็ประนมมือในระหว่างอกงนะอย่างนี้นะนึกไหว้ตัวพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้ครูพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆจากนั้นเอามือลงนะอย่าไปกวยแขนนะอย่าเอามือคว่ำหลังนะ ยวไปเอามือกอดอกน่ะให้ลักษณะทำเหมือนท่าลำพึงอย่างเนี้ท่าลำพึงอะไรท่าคิดท่าอ่านท่าลำพึงเออส่วนเห็นเราเคยเห็นพระพุทธโลกท่าลำพึงอเออไอ้เข้าท่าใข้ควรท่าพิจารณาท่าสมณะอ่าท่าว่าเราอามือกอดอกมันท่าลักษณะคนมีทุกข์อ่าท่าเอามือควายหลังอกูบายจานท่านว่าท่านักเลง ทัาไวยแขนเนี่ยท่าไม่สำหรับแต่ถ้าอย่างนี้แะว่าท่าสำหรับถ้าไข้ควรถ้าลํำพึงถ้าใบ ต, ตองเหตุผลแต่เมื่อเราลงเสร็จแล้วเราก็ก้าวขาขวาพุทธนะโธพ ut, โทุพ ut, โทพ ut, โธพ ut, โทุพ ut, โทพ ut, โธพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อจนแล้วก็เราก็ต้องก้าวอีกพุโทโธ เดินตามปกตินะ่ะไม่ต้องเดินช้านะ่ะไม่ใช่ว่าพุทโทงนี้ไม่ใช่นะ อ, ะอะเดินปกติเพราะใจของเรามันเร็วอยู่แล้วนะมันเร็วยิ่งกว่าอะไรอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะเดินยังไงก็ได้ถ้าเราเดินขนาดนี้ยังช้าอยู่เราพยายามให้เดินเร็วกว่านี้อีกนะพุทโทพุทโทผลที่สุดพ อ, อเราเดินแล้ว บางทีเราเดินเราอาจจะหยุดยืนก็ได้นหะถึงข้างในวงกลมแล้วก็หยุดยืนกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธในลมหายใจเข้าจากนั้นเราก็ก้าวเดินต่ออีกเราจะยึดยุดยืนก็ได้เป็นบางครั้งนะแต่ว่าเราท่าว่าเราเดินเราก็เดินตลอดไปเดินพุทโธพุทโธพุทอโธเวลาเราจะออกสมาธินะ เราก็าประนมมือเออต้องวายพุทรธโธธรมโมสังโฆซะก่อนจากนั้นเขาทิศส่วนกุศล เ, ออเข้าไปเจ้าได้เดินยืนกลมในวันนี้เขาทิศส่วนกุศลต่อผู้มีพระคุณสำหรับเราไว้รับความสุขร่มเย็นเป็นสุขพ้นหน้ากันจากนั้นก็ออกจากทางเดินยืนกลมเมื่อออกจากทางเดินยืนกลมแล้วเราจะขึ้นมากุฏิของเราก็ได้พอขึ้นมาแล้วก็กราบพระ ไหว้พระย่ออรังสมาสมพุทโธนโมตัสสะพุทธังธรรมังสงังฆะ เ, เราไหว้พระหรือว่า เ, วเรากลาบสามครั้งเสร็จแล้วเรานั่งสมาธิต่อนั่งคัสมาธิเลยนี่ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเ อ, อทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าแต่ถ้าหากว่าเราห่วงเหงาเฮานอนชอบนอนหลับในการนั่งสมาธิ เราไม่ควรจะพิงฝาอเราไม่ควรจะหาที่พิงเราหาที่สว่างที่แจ้งแจ้งที่โล่งโลงโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าเป็นกลางคืนนะเราออกเป็นนั่งข้างนอกก็ได้แต่ถ้าเป็นกลางวันก็ให้ระวังหน่อยสมชายนี่แหละวะบางทีเรานั่งมันอาจจะย่องย่องเข้ามาเคยมีอยู่วันั้นการนั่งเนี่ยคเราอาจจะนั่งเปิดหน้าต่างเอาไว้นั่งที่โล่งโลง พ่อหน้าต่างมันมีมุ้งลวดอยู่ปิดประตูให้เรียบร้อยพอ เ, เราอยู่ในป่าบางทีอาจจะมี ง, งูมี ง, งูอะไรเข้าไปก็ได้เพราะนั้นประตูเวลาเราไม่อยู่พยายามปิดทุกครั้งปิดประตูทุกครั้งพอเราอยู่ในป่ามันอาจจะมีสัตว์พวกเรื่อยคลานขึ้นไปกุฏิหรือมันอาจจะเข้ากุฏิไปหลบไปซ่อนที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เวลาเราเข้าไปด้วยความไม่ระมัดระวังอาจจะเป็นพิษเป็นภัยสำหรับเราก็ได้เพราะนั้นกุฏิของเรากลางวันควรจะปิดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะออกไปที่ไหนหเราจะพักพรก็เหมือนกันให้ปิดประตูให้เรียบร้อยก่อนค่อยออกไปอันนี้คือเราอยู่ป่าอันนี้ก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิเราก็ปิดประตูให้ เรียบร้อยกลางวันแล้วก็ทํากายให้ตรงนะไม่ต้องพิงฝาถ้าเรามันง่วงมันหลับนะตาไม่ยิงไม่ไ ม, ไม่ไม่พิงเลยแต่ดีที่สุดนะจากนั้นก็นกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทสรุปแล้วก็คือไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอก ถ้าส่งจิตออกไปข้างออกมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายทำให้จิตใจของเราออกไปนอกรูนอกทางว้าวอ้างว้างมันคิดไปสารพัดทุกอย่างนั่นแะพราะส่งใจออกไปข้างออกอไปเกาะไปเกี่ยวไปคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วว้านเข้ามาดึงเข้ามาสู่ตัวเองจากนั้นก็ทำให้คิดมากเรื่องไม่น่าคิดมันก็คิดเพราะกิเลสมันพาคิดพาปรุงนั่นแเอ สิ่งเหล่านั้นให้พวกเรารู้เอกไว้มันควรจะมีสิ่งที่ห้ามเอาสติเข้าไปห้ามอย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันไม่ดีเราเคยคิดมาแล้วมันได้อะไรมีแต่เรื่องเสียหายเท่านั้นคิดปรุงฟุง้งซ่านถ้าคิดมากๆฟุ้งซ่านมากๆมันเป็นยังไงเสียคู่เสียคนไปหมดเพราะความคิดไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะนั้น เรามาครั้งนี้ให้มาสังเกตมันดูใจของเราไม่ใช่มาอย่างอื่นนะไม่ใช่เรามาหาความสะดกสุกสบายเข้ามาศึกษาแนวทางตามแนวทางของพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนตามแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาพวกเราข้องใจพวกเราสงสัยและพวกเรา ยังจะศึกษาให้รู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นไปกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้เพราะนั้นเราจึงได้เข้ามาบวชจึงจะมีเวลาน้อยก็ให้มีความตั้งใจมีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะศึกษาเหมือนกับเราศึกษาหาความรู้วิชาทางโลกในหลายอย่างที่พวกเราเคยทำมาแล้วเคยศึกษามาแล้วแต่บัดนี้เราศึกษาภาคปฏิบัต ตั้อกตั้งใจศึกษาเรื่องจิตภาวนาแต่บางท่านบางคนที่บวชเข้ามาแล้วมาเห็นการเป็นอยู่ของพระการเป็นเห็นการเป็นอยู่ของนักบวชอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาบวชตอนเช้าไปบินธบาตบินธบาดกลับมามาฉันมาฉันเสร็จแล้วล้างบาทรพอล้างบาตรกับพุทติตอนบ่ายมาฉัน จากนั้นก็ปัดกวาดจากนั้นอาบน้ำจากนั้นก็มาประชุมกันฟังหลวงพ่ออธิบายให้ฟังจากนั้นกัพุูตินั่งบ้างนอนบ้างนั่งภาวนาบ้างเพราะมันไม่เชื่อในใจจากนั้นก็ตื่นขึ้นมาพิพินทบาทมาฉันอีก อันนี้คือชีวิตประจำวันของนักบวชนักพลศเราจะเอาชีวิตประจำวันนี้มาเป็นบรรทัดฐานว่าเขามาบวชแล้วไม่ได้อะไรมแจะอยู่อย่างนี้วกวนเวียนอยู่อย่างนี้น่าเบื่ออันนั้นแปลว่าผู้เข้ามาอยู่แล้วเข้ามาศึกษาแล้วมาศึกษาแบบงงงๆแบบทับทีแช่อยู่ในหม้อกแกงไม่เกิดประโยชน์ถึงจะอยู่ในสถานที่ใดเป็นร้อยเป็นพันปีก็ไม่เกิดประโยชน์ โมฆะบุรุษโมคะพิสุโมคฆะชตรีเหล่านั้นเพราะนั้นพวกเราอยากได้เป็นอย่างนั้นที่เราเข้ามาศึกษาครั้งนี้เรามาศึกษาเรื่องอะไรพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรครูบาอาจารย์ท่านชีแนชนนช้แนะชี้นาท่านชี้แนะชี้นาให้ทำอะไรอันนั้นคือชีวิตประจำวันเราก็ต้องทำอย่างนั้น ถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะมันเป็นกฎระเบียบของพระสงฆ์เข้าบท ม, มาในพุทธศาสนาแล้วก็ต้องปงผมปงคิ้วใส่ชุดผ้าเหลืองนุ่งห่มอย่างนี้คือชีวิตของนักบวชตอนเราไป็นนุ่งอย่างอื่นไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ถูกเราต้องนุ่งอย่างนี้และชีวิตประจําวันของเราก็ต้องเป็นอย่างนี้การเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างนี้แต่ส่วนที่ได้นั้นคืออะไร ส่วนที่ได้นะั่นคือเราได้ศึกษานะถ้าเปรียบเทียบกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยของพวกเราท่านทั้งหลายตื่นเช้ามาเราแปรงฟันล้างหน้าจากนั้นเราก็เตรียมนะพวกสมุดกระดาษดินสอเตรียมไปโรงเรียนเมื่อไปโรงเรียนแล้วก็ครูก็สอนก็สอนเสร็จแล้วก็กลับมากลับมาก็นะเล่นกีฬาหาที่พัก กินข้าวกินน้ำอ่านหนังสือแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาไปอีกเราก็จะบอกโอ้โหหน้าเบื่อยจริงๆไม่ได้อะไรเราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ตอนที่ได้นะั่นคือได้อะไรได้ขณะที่ไปโรงเรียนครูสอนแนะนำความรู้เราได้เรียนได้ศึกษาที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอน ลกลับมาอ่านตำรับตำราในความรู้ความฉลาดจากการศึกษาของเราอันนั้นคือความได้แต่การดูการกินกันไปการมาขึ้นลถขึ้นลาสิ่งเหล่านี้เราได้อะไรเราก็ไม่เห็นได้อะไรเป็นแต่ว่าได้ออกกําลังกายบ้างได้ไปได้มาบ้างแต่สิ่งที่ได้นั่นคือเราได้ความรู้จากครูบาอาจารย์จากการศึกษา ในภาคปฏิบัติของพระของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันการเป็นอยู่ชีวิตประจำวันนั้นเราไม่ได้อะไรแต่ว่าสิ่งที่ได้นั้นคือพวกเรานั่งสมาธิพยายามทำจิตให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตสงบดีแล้วเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นอนิจาังทุกขังอนัตตาดูใจของเราวันนี้มันเป็นยังไงสิ่งไหนที่มากระทบบ้าง กระทบเพราะมันเป็นยังไงอารมณ์ที่มากระทบแล้วใจของเราวุ่นวายไหมใจของเราเดือดร้อนไหมใจของเราเป็นทุกข์ไหมใจของเราเป็นยังไงคือให้สังเกตดูใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลาเอาสติจับจุูกับจิตตลอดเวลาอันนี้แหละคือจุดที่มันได้เราจะเห็นจิตของเราเราจะเห็นใจของเราเราจะเห็นความรู้สึกของเราทีนี้เมื่อเราเห็นความรู้สึกของเรา เราจะทำยังไงเมื่ออารมณ์โกรธขึ้นมาเราจะเอาตัวไหนเราพิจารณาอย่างไรเมื่อราคะขึ้นมาเราจะทำยังไงเมื่อความน้อยใจไม่พอใจขึ้นมาเราจะคิดอย่างไงเราจะเห็นความเศร้าหมองของใจเราจะเห็นความผ่องใสเราจะเห็นความคึกขนองของใจเราจะเห็นความอะไรแปลกๆในจิตในใ จ, ในใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละคือการศึกษาเราได้ได้จุดนี้ที่พระพุทธเจ้าพระ หลงปูหลงตาท่านอยู่ในปา่ารงพงไผ่ท่านดูดูจุดนี้ไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดมันดิ้นอยู่ตลอดเวลามันกระเสือกกระสนอยู่ตลอดเวลามันสับสายอยู่ตลอดเวลานี่แหละให้ดูตรงนี้นี่แหละคือสนามรบหรือว่าสนามศึกษาหรือว่าเป็นที่ศึกษาของพวกเราให้พวกเราให้เข้าใจให้ดูใจของตัวเองแต่ละวันแต่ละเวลามันคิดเรื่องอะไร ถ้าว่าเราจับจุดนี้ไม่ถูกแล้วเราไม่รู้จะตีทำยังไงอีกเหมือนกันนะเหมือนกับนักกีฬานะทางที่เป็นนักมวยขึ้นไปก็ยืนโดเดยวไม่เห็นได้อะไรผลที่สุดเขาต่อยเอซะชกเขเอะน็อกวขซะลงกับพื้นถ้าเป็นนักฟุตบอลตัวเองก็ไปยืนโดเดยวอีกไปรู้จะทำอะไรก็นักฟุตบอลเขาก็ให้เตะลูกฟุตบอลไม่ใช่ อ, อ กีฬาประเภทไหนเราต้องศึกษาให้เข้าใจใวิช า, าวิศวะเราก็ทำยังไงในการแพทย์การหมออย่างพวกเราเป็นนักศึกษาแพทย์หมอเราทำยังไงอันนี้เราเป็นนักปฏิบัติมากเมื่อเป็นนักบวชเราให้ศึกษาเรื่องอะไรเมื่อเขามาบวชในเป็นพระกรรมฐานอย่างนี้เราศึกษาเรื่องอะไรเราต้องศึกษาเรื่องใจเรื่องความรู้สึกเรื่องจิตตภาวนา ความคิดของใจมันปุงฟุ้งซ่านอยู่ตลอดทั้งวันแม้กระทั่งหลับก็ยังมีฝันมันออกไปอยู่ทุกวิธีทางเมื่อนั่งตื่นขึ้นมาล้วก็คิดนู่นคิดนี้คิดนี้คิดนั่นคิดนั่นคิดนี้อยู่ตลอดแต่นี้เราจะทำยังไงจึงจะทำจิตของเราให้สงบเป็นหนึ่งได้เนี่ยอันนี้คือหลักใหญ่ต้องเป็นสมาธิสกก่อนเมื่อสมาธิดีแล้ว จะคิดพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงทางว่าจิตของเราไม่เป็นสมาธิเราปุ่งฟุ้งออกไปืลวาคิดออกไปโดยมากมันจะเป็นสัญญากับสังขารเจนมากกว่ามันจะปุ่งฟุ้งไปออกไปทางสัญญาคือความจำได้ไม้รู้สังขารคือความปรุงแต่งเจนมากกว่าแต่ถ้าว่าใจของเราเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานเราจะพิจารณาทางด้านปัญญา ก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเห็นจริงเห็นจังอย่างที่เป็นความจริงจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายจิตใจก็เห็นเมื่อเบื่อหน่ายคลายเมื่อมันคลายแล้วก็มันหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันจะไปแนวแถวลักษณะอย่างนั้นเมื่อเราเห็นจริงเห็นจังแล้วเมื่อเราเห็นไฟน่ เราไปจับไฟเห็นไฟมันร้อนรู้ว่ามันโทษมันร้อนเราจะไปจับมันทำทำไมอีกอันนี้ก็เหมือนกันเราเห็นสังขารเห็นกายสังขารภายนอกกายสังขารภายในเห็นสังขารภายนอกเ อ, อคือความเท่าแก่ชราของร่างกายเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เราจะไปยึดมันทําไมแลแ้วไปจากนั้นก็เห็นสังขารภายในคือความคิดความปรงุงแล้วก็ปุงดีปรงรุปงไรปุง เอื่องนั่นเรื่องนี้เข้ามาจูจิตจูใจจิตใจเศร้ามองพองใสอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นก็คือมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่หาความสงบสุขไม่ได้มันเป็นอนัตตาเป็นอเนจังเป็นทุกขังสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งไหนเป็นอเนจังสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งไหนสิงไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุก จะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรนี่แหละวิธีการที่พวกเราจะได้ศึกษาที่เข้ามาบวดในครั้งนี้อันดับแรกก็คือพยายามทําจิตให้สงบอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายในการเดินจงกรมการเดินจงกรมก็คือการให้สติอยู่กับการในก้าวเดินให้มีสติเพราะงั้นเถิดสตินี้เป็นสิ่งที่มาก่อนเพื่อนเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งในภาคปฏิบัติ ถ้าขาดสติแล้วแปลว่าขาดทุก ส, สิ่งทุกอย่างเพราะนั่นเตีองสตินี่ต้องมาก่อนเวลานั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันต้องพยายามให้มีสติอยู่ตลอดเวลาจะคิดปรุงเรื่องอะไรจะคิดเรื่องอะไรให้มีสติเพราะนั้ น, น, นเวลาเรานั่งสมาธิให้กาหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกถูหายใจเข้าพุทธหายใจออกถูออกถไม่ต้องแฝงอย่าไปแต่งลม อไม่ใช่เราหายใจผุดฟาดผุดฟาดแตงรบไม่ถูกนะคือให้เป็นตามธรรมชาติที่สุดในการกําหนดลมหายใจเข้าเราก็พหายใจออกเราก็ถูกหรือมันยังมีช่องว่างอยู่อมันยังมีช่องว่างจิตมันยังหลงออกไปเล็ดลอดออกไปมันยังมีโอกาสที่จะคิดปรุงออกไปอยู่เราจะบริกรรมทุกขณะจิตที่มันคิดอไม่ต้องบ ก, กําหนดลมตะวนี้กาหนด ขนาจิตที่มันคิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราไม่ต้องพูดออกปากนะเอให้คิดอยู่ในใจเนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ทีเย็บจนไม่มีช่องที่ความคิดจะออกให้มีสติอยู่กับอารมณ์ของจิตพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนั้นอยู่ตลอดนะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งจะทํำยังไงที่ที่เราจะผูกจิตให้อยู่กับตัวของเราไม่ให้มันคิดออกไปข้างนอกเออ แล้วเคยผมเคยพูดกำหนดเป็นตัวเลขได้ไหมทำมันยังออกอยู่หายใจเข้าเราก็นับหนึ่งหายใจออกเรานับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่หายใจเข้านับ5้าหายใจออกนับหกทำไมนับอย่างนั้นจะนับถึงร้อยแล้วก็กลับมาไม่ให้มันเผล อ, อหนึ่งมันเป็นเลขขี่ สองมันเป็นเลขคู่สามมันเป็นเลขคี่สี่มันเป็นเลขคู่อ่าแ <c oughs> ปลว่าหายใจเข้าเป็นเลขคี่หายใจออกเป็นเลขคู่แต่ถ้ามันจะเผลอมันจะเบอเบอร์เบอร์เสร็จแล้วมันจะอ่าหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขคี่อ่าอันนี้แปลว่าสติของเราขาดในช่วงนั้นเอากับตั้งต้นไหมจักสามสี่ห้าหกเที่ยว เที่ยวละมันเกิดอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งนาทีได้นับถึงหนึ่งนับถึงหนึ่งถึงร้อยเนี่ยจากนั้นก็เอจะบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้คือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทธโอแต่บางครั้งเมื่อเราภาวนาไปโดยมากนับปฏิบัติทั้งหลายพอนั่งภาวนาไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทธโธกำหนดลมหายใจก็ ลมละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดลเอียดเข้าไปพราะในสุดลมหมดนี่แหละโดยมากนักปฏิบัติตั้งหลายเคยพบเคยเจอมากพอสมควรพอลมหมดแล้วกลัวตายเอาทรรมนลหมดลมหมดก็สืบลมหาใหม่อีกกรรมฐานก็เลยหยาบอีกขึ้นมาอีกอพลในสุดเอาภาวนาไปพบมดหมดหมดหมดลมอี มันลมหมดเอาสืบใหม่อีกยาปิด ก, ก็เลยได้แต่เพียงแค่นั้นอันนี้ขอเตือนย้ำพวกเราท่านทั้งหลายในขณะที่กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพอลมละเอียดละเอียดลเลียเขาลมลมหมดพอลมหมดไม่ต้องไม่ต้องกําหนดลมให้กําหนดดูตัวผู้รู้ทีนี้ใครรู้ว่าลมหมดเอาสติจับจยู่ตรงนั้นตรงที่ว่าใครรู้ว่าลมหมด ให้มีสติอยู่อย่างนั้นแห่งเดียวมันจะเป็นยังไงเอาสติจับอยู่ตรงนั้นพอไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นเพราะลมหมดแล้วไม่ต้องตามลมถ้าไปตามอีกมันจะหยาบต่อไปมันจะเป็นยังไงอันนั้นไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงให้มีสติอยู่ตลอดเวลามันจะลงไปยังไงมันจะขึ้นปะฟ้าอากาศยังไงในผลสุดมันก็จะลงไปสู่ความสงบทิ้ละเอียดกว่านั้นกาไปอีก ออันนี้เราไม่ต้องคาดไปตรงหมายนะอมันจะละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ตามเอาสติยับอยู่กับตัวนั้นเพียนั้นพอนะอันนี้คือวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นสําหรับพวกนักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายควรจะทําอย่างนี้วิธีการปฏิบัตินะจากนั้น <c oughs> ที่ครูบาอาจารย์เนอะ เมื่อกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรจากนั้นให้ท่านให้นําความรู้ที่จิตสงบถอนออกมาเมื่อถอนออกมาแล้วให้พิจารณาทางทางปัญญาเรียกว่าวิปัสนาเออวิปัสนานี้ถ้าจะว่าไปนะก็เหมือนวิปัสสนึกนึกคิดเอ่อนึกคิดเรื่องต่างๆนึกคิดถึง ธาตุสีดินน้ำลงไปคิดถึงร่างกายสังขารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเป็นนักศึกษาแพทย์เนี้ถ้าพอพูดเข้ามาอย่างนี้พวกเราคงจะมองเห็นได้หมดธรุปปูปวงไปหมดในร่างกายแต่ว่าการมองเห็นของนักศึกษาแพทย์เนี่ยเป็นมองเห็นเป็นตามธรรมดาแต่ถ้าหาวันในการมองเห็นของหลักของ อริยสัจหรือว่าสัจจะ ข, ของพระพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่ากำหนดพิจารณาร่างกายสังขารเนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเรานะ่ยมันเป็นอย่างนี้เห็นตามความเป็นจริงนี้อย่างนี้ด้วยปัญญาคือทําจิตให้สงบซะก่อนที่ว่าภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากทาจิตให้สงบซะก่อนแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาจะเห็น ตามความเป็นจริงกระดูกเป็นยังไงเนื้อหนังบังสาเป็นยังไงน่ารักใครชอบใจไหมถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายมันไม่ไม่ใช่ว่าเห็นด้วยสัญญาและสังขารถ้าเห็นด้วยสัญญาและสังขารเห็นเท่าไรมันจะไม่เกิดความเบื่อหน่ายเห็นตามธรรมดาเห็นตามธรรมชาติเหมือนกับเราเห็นทั่ววไปแต่ถ้าหากเห็นด้วยปัญญา แนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านอบรมสั่งสอนแล้วมันลึกซึ้งออกมาจากจิตใจเห็นตามความเป็นจริงออกมาส่วนลึกของจิตใจเห็นด้วยปัญญาผูดสรุปง่ายๆนั่นเมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วกับเห็นด้วยสังขารหรือเห็นด้วยสัญญาสังขารความปรุงแต่คนละเรื่องกันคนละเรื่องกับคนละแนวแถวกันเพราะนั้นพวกเราให้เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบ พ, พยายาม ออกมาคิดดูร่างกายหรือดูธาตุสีดินน้ำลมไปหรือดูอสุพร่างกายแยกแยกส่วนแบ่งส่ว น, วนดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างที่พระกรรมฐานหรือว่าพระอุปัชฌาย์ให้กรรมฐานเบนนื้องต้นเกซ่าโลมานาค่าทันตาตะโจไม่ใช่ของเล็กน้อยถ้าเราพนานาิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วร่างกายของคนเรานีมีอย่างนี้ เกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็ดทันตาฟันตะโจหนังมังสังึเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, าม้ามหัวใจตับพังปืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสลตเลือดออะไรถ้าเราแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปอันนี้คือใครเป็นเราใช่ไหมเป็นใครอันนั้นคือหนังอันนั้นคือเนื้ออันนั้นคือเอน็นอันนั้นคือกระดูกเป็นกองๆอง เป็นส่วนส่วนอันไหนคือเราน่ารักใครชอบใจไหมน่ารักใครยินดีไหมร่างกายจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมไม่มีใครปฏิเสธมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนที่เขาตายไปแล้วลักษณะอย่างนั้นจริงจริงเราจะตายเป็นไหมต้องแน่นอนเราก็ต้องตายเหมือนกับคนทั่วไปไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายจะตายไม่เป็นไม่มี แต่จุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นเรากลัวไหมเรากลัวตายไหมเออแต่ที่แรกมันก็ว่าไม่กลัวกลัวหรือไม่กลัวนะแต่พอเข้าจริงๆก็ถึงคราวมาแล้วก็ขาอ่อนเหมือนกันเหมือนั่นแหละเออไม่มีใครจะไม่กลัว อ, อแต่พอเห็นคนอื่นไม่เป็นได อ, อืรเราเห็นได้แต่ว่ามาเจอกับตัวของเราเองหรือว่าตัวเจออยู่ผู้ที่ใกล้ชิดเราเนี่ย อ, อ่า เราจะต้องมีความรู้สึกเหมือนกันบทนั้นท่านจึงให้พิจารณาวิปัสนาวิปัสนาคือพิปัสฉนึกนั่นเองให้นึกคิดปรงให้เห็นตามความเป็นจริงต่อไปเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดวิปัสนาที่เรรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาด้วยสัจจะด้วยปัญญาด้วยความจริงใจของตนเองจากนั้นก็มันก็เกิดความเบื่อหน่าย ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นตามความเป็นจริงรู้แจง้งเห็นจริงในสัจจกมันเกิดยังไงมันดับอย่างไงมันไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกจะต้องสลายใจของเราจะไม่ไปยึดไปถือไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นจนเกินไป<ม>อันนี้คือภาคปฏิบัติที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาจากนั้น จนถึงจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือเป็นแนวแถวแต่เราปฏิบัติในครั้งนี้มาบวชในครั้งนี้เพียงต้องการอยากจะให้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนะ หลวงพ่อนะอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทําจิตให้สงบอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ริมรถว่านัตสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพวกเราเห็นแต่ความปุงฟุ้งซ่านของจิตของใจแต่ละวันแต่ละเวลาถ้าคนคิดมากๆเป็นยังไงเป็นบ้าเป็นบ อ, อสรบเมื่พราคิดมากตกใจมากแต่ทีนี้ จิตใจสงบเป็นหนึ่งน sí ั้นพวกเรายังไม่เคยพบเคยเห็นจิตใจสงบเป็นหนึ่งถึงขั้นอัปปนาสมาธิกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งกายเป็นส่วนหนึ่งกายกับใจเป็นคนละอันกันเป็นคนละส่วนกันจุดนี้เรายังไม่พบไม่เห็นเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เขามาบวดในครั้งนี้พยายามทาจิตให้สงบทาจิตให้เป็นหนึ่ง กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะทาจิตให้สงบจากนั้นก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาต่อไปเอาต่อนี้ไปนั่งสมาธิที่นี่นะเมื่อนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราประนนมือขึ้นระหว่าง อ, อกไหวครูไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมปรสูงไหวครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนวสำหรับพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติจากนั้นก็เอามือลงกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ในจิตขณะที่มันคิดหรือว่าจะนับหนึ่งสองอย่า ง, งที่หลวงพ่อได้แนะนวเบื้องตน้น ปรตามัธยาศัยนะเพราะว่าไม่มีใครที่จะรู้ริ่งกว่าตัวของเราเองในการประพุทธปฏิบัตินะอุบาจาจาร์ม่จะเป็นผู้ชี้หนทางแนะนำเท่านั้นเองแต่ผู้ปฏิบัตินั้นคือพวกเราท่านทั้งหลายจะทำยังไงใจของเราจรึงจะสงบเป็นหนึ่งได้นะต่อเ น, นี้ไปก็นั่งภาวนาำกำหนดลมหายใจเข้าออก